ประเภทของกรรมกรรมนั้นเมื่อจําแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมะที่เป็นมูลเหตุแบ่งได้เป็นสองอย่างคือหนึ่งอกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลการกระทําที่ไม่ดีกรรมชั่วหมายถึงการกระทําที่เกิดจากอากุศลลมูลคือโลภะโทสะหรือโมหะ 2. กุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลการกระทำที่ดีหรือกรรมดีหมายถึงการกระทำที่เกิดจากกุศลละมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะอันหนึ่งในกุศลละมูลสามนั้นพึงทราบว่าอโลภะไม่โลภ หมายถึงธรรมะที่เป็นปฏิปักกับความโลภรวมถึงจาคะอโทสะไม่คิดประทุษร้ายหมายถึงธรรมะที่เป็นปฏิปักิกับโทสะโดยเฉพาะเมตตาอโมหะไม่หลงหมายถึงธรรมะที่เป็นปฏิปักิกับความหลงโดยเฉพาะปัญญา แต่ถ้าจำแนกตามทวาวรคือทางที่ทำกรรมหรือทางแสดงออกของกรรมจัดเป็นสาคือ 1. กายกรรมกรรมทำด้วยกายหรือการกระทำทางกาย 2. วจีกรรมกรรมทำด้วยวาจาหรือการกระทำทางวาจา 3. ามนโนกรรม กรรมธรรมด้วยใจหรือการกระทำทางใจเมื่อจำแนงให้ครบตามหลักสองข้อที่กล่าวมาแล้วก็จะมีการรวมทั้งหมด6อย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมณโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นอกุศลกับกายกรรมวจีกรรมและมณโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นกุศล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 หรือว่าโดยองค์ธรรมได้แก่โพชงเจ็หรือมัสมีองค์8ในชั้นอัธกถามีการแบ่งประเภทของกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งนิยมถือตามกันมาและเป็นที่รู้จักกันดีในยุคหลังๆคือการจัดแบ่งเป็นกรรมส2องหรือกรรมสี่สามหมวดเช่นที่แสดงไว้ในคำภีวิสุทธิมัคเป็นต้น เพื่อความป้องกันความฝันเฟือจึงจะไม่กล่าวไว้ในที่นี้ในบรรดากรรมสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมโนกรรมสำคัญที่สุดและมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดดังบาลีว่าดูก่อนปัสสีบรรดากรรมสามอย่างเหล่านี้ที่เราจำแนกว้แล้วอย่างนี้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 ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิการดําริพูดจาและทําการต่างๆก็ดําเนินไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาไปด้วยเช่นคนและสังคมที่เห็นว่าความร่างพร้อมทางวัตถุมีค่าสูงสุดเป็นจุดหมายที่พึงไฝ่ประสงค์ก็จะเพียรพยายามสแสวงหาวัตถุให้พร่างพร้อมและถือเอาความพร่างพร้อมด้วยวัตถุนั้นเป็นมาตรฐานวัดความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรี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 ภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนภัยบุ์เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี่เลยภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง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 ทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะทิฏฐิชั่วร้ายเปรียบเหมือนมเมล็ดเสตาก็ดีมเมล็ดบวบขมก็ดีมเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินแล้วรดน้ําที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเป็นของเผ็ดเป็นของไม่อร่อยข้อนั้นเพราะเหตุไร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 การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีธรรมะทั้งหมดนั้นยอมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เ พ, เพราะทิฐีดีงามเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดีพันผลจันทร์ก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น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 เอก บ, บุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อมีใช้ความสุขแก่พหูชนเพื่อเสริมประโยชน์เพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเอก บ, บุคคลนั้นคือใครได้แก่ผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีทัศนะอันวิปริตเอก บ, บุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐินั้น ยอมอยังระหูชนให้คลาาจากสัตธรรมให้ตั้งมั่นในอสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ผะหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ผะหูชนเพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใคร ได้แก่ผู้มีสมาธิฐิมีทัศนะอันไม่วิปริตเอกบุคคลผู้มีสมาธินั้นยอมอย่างพะหูชนให้ออกพ้นจากอสัตธรรมให้ตั้งมั่นในสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นเจ้าใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีจิตใจเสียหายแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเกวียน ถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความสุขย่อมติดตามมาเหมือนดังเงาที่ติดตามตัวในเรื่องมิจฉาทิฏฐิพึงอ้างความสำคัญของทิฏฐิผิดและถูกในการที่จะตรัสรู้ได้หรือไม่ด้วยจากสังยุตตนิกายมหาวารวัก